วันนี้ก็เป็นวันที่สามของเดือนพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสามิบสี่ไม่ใช่สามสิบเจ็ดแฮะิมกินวันนี้ก็ขอตัวเองเฉพาะเบื้องต้นก่อนก่อนจะเล่าเรื่องประสูขให้ฟังตอนที่พูดประสูขให้ฟังไม่ใช่อะไรกลัวหลับ ก็จะเป็นฝรั่งนั่งครับครั น, นับเปลือกนะข้างหลังหมอบได้ขา้างหน้าหมอบไม่ได้ทรมานเบื้องต้นจริงๆก็ขอพระดาท่านพุทบริษัททุกคนหาทางป้องกันอภัยภพก่อนอันนี้ก็พูดทุกครั้งนาะก <c oughs> ูให้พูดบ่อยๆให้มึง่อยเข่าพ <c oughs> ิธีป้องกันอบรรยัยภูก็คืนหนึ่ง กว่าชีวิตที่ต้องตาย <c oughs> แต่ก็รู้ตามความเป็นจริงว่าการตายนี่ไม่ใช่ศูนย์ถ้าเราเยังไม่หมดกิเลสเพียงใดต้องวินว้าตายก็ตายเกิดในวัฏฏะทุกสารต่อไป <c oughs> ถ้าก่อนจอะาตายจิตเศร้าหมองลงอบายภูมิ <c oughs> ถ้าก่อนจอะาตายจิตฝ่องไสเป็นกุศลจิตไปสู่สุคติมีสวรรค์เป็นต้น ก็เป็นนบ่าเขากดาบธรรพุทธบริษัททุกคนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้วันหนึ่งจงอย่าลืมความตายเป็นมรณาดุวติกรรมฐาน <c oughs> สองยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สามทรงศิลห้าให้ครบทวก็ <c oughs> สี่วางนิพพานแค่นี้พอจบจบแล้ว ใช่ไหมถ้าถึงนิพพานก็จบถ้าลงจนนิพพานก็ลงเอาไปจริงก็เป็นว่าการที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่พระเจ้าให้ฝึกลมหายใจเข้าออกการรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนั่นหมายความว่าให้ทรงสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์แบบสตินึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวแต่เรารู้ลมหายใจเข้าออกอยู่เสมอ ไม่ใช่ทั้งวันนะถ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยัรู้ทั้งวันพระอรหันนี่รู้ทั้งวันแล้วไม่รู้เฉพาะแค่จมูกรู้ยาวเหยียดจากเข้าจากปลายจมูกถึงถึงเหนือสะดือไม่รู้หมด <c oughs> ถ้ารู้ลมใจเขาออกอยู่เสมอถือว่าสติมีสมัยมีสติสตัสมปจนยะสมบูรณ์คนที่มีสติสมัมปจยะจะสมบูรณ์นี่เป็นพระอรหรัน ถ้ายังไม่สมบูรณ์ก็ยังไม่เป็นอาหารหัฉะนั้นพระอาหารจึงไม่มีอบัตอรหานนี่นะไม่มีอบัตพระเจ้าทรงยกโทษหมดทั้งนี้นรพราอะไรพระไม่ทำไอ้คนนี้ก็ทำแต่ไม่ยกให้าหานะแต่บอกว่าท่านปรับอบัตเฉพาะพิสมาจารย์ที่แรกนะแต่ว่าอย่างอื่นไม่ปรับ ถ้าต่อมาถือว่าเป็นผู้มีสติสบด์ไม่ปรับเพิหมดก็รู้ความว่าอรหันต์ไม่มีเรื่องจะปรับคือเรื่องปรับของท่านไม่มีในเวลานี้เรายังไม่เป็นอรหันต์ก็ยังมีคนปรับอาบัติอยู่ถ้าพระเรียกว่าบดัตชาวบ้านเรียกว่าบาปโตเดียวกันเพื่อแปลว่าความชั่วเหมือนกันเพราะนี้ทุกคน ที่เกิดมาแล้วทุกคนในทุกคนทำความทาบาป ท, ทั้งหมดเคยทำไหมเท่าแก่ถ้าไม่เคยก็สวยใครไม่เคยทำบาปบ้างยกมือขึ้นมีไหมอยาโ ย, ยมจดตายเลยถ้าไปถามพระอรหันตุองค์ที่เขา้าสิพันถามว่าหมดบาปไหมต้องตอบว่าทุกองค์ยังไม่หมดบาปใช่ไหมการบาเพ็ญกุศลเป็นการหนีบาปไม่ใช่ทาลายบาป ถ้าถึงพระโสดาบันแล้วบาปาไปสามารถจะดึงลงมออาใบขุมได้ลงไม่ได้พระโสดาบันนะเพราะว่าถ้าลงไปขุมไหนขุมนั้นไฟดับคือเขาเลยกันท่านะมีพระท่านเคยเล่าให้ฟังท่านบอกว่าน่าควจะเป็นพระอริยเจ้านะ่ะท่านเคยไปเที่ยวแดนนรกแล้วมีเทวดาเช่นเจ้จาตัว น, าน่าเนี่ยคยกันท่าอย่างไรคือกันไม่คือเขา ไม่ให้เข้าไปข้างข้างขุงขมนรกใกล้ปากขุมมนะคือว่าเขาเดินแซงอยู่พราองค์เลยถามว่าทาไมล่ะฉันจะดูใกล้สุดหน่อยหนึ่งเขาบอกว่าท่านบอกว่าเขาบอกว่ากลัวท่านเผลอถามว่าเผล อ, อยังไงถ้าเร า, าเท้าแย่ที่ขุมนรกไฟจะดับเงนั่นนะเถ้าแก่จะลืมนะลงไปมั่งเอย <laughs> เดี๋ยวเอาไ้เลยแย่เลย แต่เป็นว่าการที่รู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกเป็นการทําให้จิตทรงสมาธิคือการตั้งใจอนนี้การรู้คำภาวนานด้วยก็เป็นการถ้าภาวนาว่าพุทธโธเป็นพุทธานึกถึงรรมฐานนึกถึงพระพุทธเจ้าเพื่าจะภาวนาว่าอย่างไงก็ตามเรานึกถึงพระพุทธเจ้าก่อน <c oughs> เพราะว่ากรรมฐานทุกกองเป็นของพระเจ้าทั้งหมด ยังไงยังไงก็เป็นพุท ธ, ธานุสิตของฐานเหมือนกันหมดไม่ว่าจะมีชื่ออย่างอื่นก็ตามก็มาจากพระพุทธเจ้าแต่ดั้นเมื่อเราฝึกการภาวนาภาวนาได้บ้างเผลอบ้างได้บ้างเผลอบ้า ง, างออก็ตามในชีวิตของเราการครองเรือนก็มีบาปบ้างมีบุญบ้างเป็นของธรรมดา <c oughs> ถ้ายังไม่เป็นพระโสดาบันเพียงใดก็เผลยไม่ได้เป็นของธรรมดาเหมือนกัน เลยอีกจุดหนึ่งที่มีความสําคัญคือเตือนใจมันไว้ว่าก่อนจะหลับนึกถึงพรนิพพานก่อนตัดสินใจว่าท่านข้าพเจ้าตายคราวนี้ข อ, ขอปฏิพาน์จุดเดียวพอตื่นขึ้นมาใหม่ๆนึกถึงนิพพานก่อนจหลังจากดันภาวนาไปบ้างอลืมบ้างเผลอบ้างก็ไม่เป็นไรทําได้เล็กๆน้อยๆอย่างเนี้ยทําทุกวันไม่ต้องมากนะ ก็มันทำทั้งวันนั้นไม่ได้เพราะว่าจะรู้ตัวจริงๆเมื่อขณะที่เราจะตายเมื่อเวลาที่มันป่วยไข้ไม่สบายใกล้ตายจริงๆอารมณ์ที่เป็นวุ่นทั้งหมดมันจะรวมตัวการที่มันรวมตัวเปไ็นไงทราบไหมเจ้าแก่ทราบไหมพอทราบเลยทราบกล้วพูดไปฉันไม่ทราบ การรวมตัวหมายความ ว, าว่ามันเข้าสั ง, สงขารหรอเปรยขายาาอารมณ์มันจะวางเฉยทุกอย่างมันไม่ห่วงทรัพย์สมบัติไม่ห่วงคนไม่ห่วงสัตว์ไม่ห่วงไม้แต่ร่งรรางกายจิตมันเฉยๆนะไม่แสดงการรังเกียจแล้วไม่ใช่แสดงการรังเกียดแล้วก็ไม่ดิ้นรนทั้งหมดมันเฉยๆทุกอย่างนี่ความรู้สึกว่าแม้แต่ ร, ร่างกายก็ยังยังตาย เราจะสนใจอะไรเรื่องอื่นจิตมันเป็นสุดมันมันสว่างมากจิตมีความสบายมากรู้สึกว่าร่างกายตายมาเมื่อไรเราก็ไปในภายมืนั้นที่รู้เพราะอะไรเพราะฉันโดนมาหลายเที่ยวนะมันเป็นยังไงจริงถ้าป่วยหนักจริงจิตมันจะเฉยหมดวางหมดทุกอย่างแล้วก็คนอื่นหลายหลคนก็โดนมาแล้วเหมือนกันในเมื่อจิตมันรวมตัวแบบนั้นธาต จะตายเมื่อไรจะเป็นอรหันต์ก่อนอารมณ์นั้นมันเป็นอารมณ์ของอาราหันต์สังขารเวทขยานนะถือว่ามันจะเป็นโชคข่คาวก็ตามถ้าบังเอิญมันเป็นขณะขณะที่เป็นอยู่อย่างนั้นถ้าตายเวลานั้นก็ไปนิพพานทันทีเมื่อเป็นว่าเขบันดาญายโยมพุทธวจักรทุกคนการภาวนาเฉยๆรู้ลมให้ใจให้ใจก็ออกเฉยๆไม่ยึดสังโยชน์สามดาการเราก็ขาดทุน ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดสัญญาต์สัมผมการกันหนึ่งสกายยะติธิที่มีความรู้สึกว่าต้องตาย <c oughs> สองวิจิกิจชาตัดความสงสัยในพระเจ้าประทรมพระอริยสงฆ์สามสิทธัตะประาปรมาตไม่รู้คำสินรักษาสินนุ้งเฟ่งครัตแล้วก็สี่จิตต้องการผลิพันธ์เป็นอารมณ์ทำไว้อย่างนี้เรื่อย การเจริญกรรมฐานของบรรดาทพบุตรบริสัทธทจะมีผลมีผลทั้งในชาตินี้และชาติหน้ามีเพาะอย่างยิ้งถ้าเราบังเอิไปเกิดบุสวรรค์อาศัยที่จิตเดิมรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็ไม่มีโอกาสด้กลับมาอีกทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ชาพัสสิอ่านก็มาเห็นไหมหรือไร ล, ล้านปีเสษเจษทนไหวไหม พระยงตายนะถ้าไม่เชื่อฉันนะยาตายในะอล้านปีกว่าท่านมานีกว่ากี่ล้านปีไป น, นะแต่าตามหนังสือเขาบอกประมาณสามล้านปีเศษเศษแต่ไปถามท่านจริงๆท่าบอกอีล้านปีเศษเศษ จ, จะลงใกล้เขตพมา่าเห็นไหมแต่เวลานั่งเขาก็ไม่เดี่ยวพม่า คือไม่ใช่ลงในอินเดียเสมอไปนะถ้าดินแดนไหนเขามีความเล่นทางจิตกันมากพระพุทธเจ้าจะลงดินแดนนั้นฉะนั้นขอาพนดนท่านพุทธบริษัททุกท่านทุกคนถ้าบังเอิญจิตของท่านตัดสัญญาณสามนาการได้คือหนึ่งสากายะติทิมีความรู้สึกว่าต้องตายเหการที่สองไม่สงสัยในพระไตรสนาคม รายการที่สามโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินห้าบริสุทธิ์ถ้าทําได้อย่างนี้ <c oughs> พระพุทธโคสาจารย์รนีรัตนวิสุทธิมรรคท่านไปพระราหารันไปสมมิธายานเป็นอาหันพิเศษเลยเขาไปเชิญลงมาไปเชิญลงมาเกิดให้เป็นด ร, ราหารันแล้วก็แปลพระไตรวิฎกเป็นพระที่มีความสำคัญมากจริงๆแล้วเราเป็นคนไทยเป็นลูกไทยใหญ่ อยเมืองสุธรรมบดีหรือเมืองกัตเธอรเวลาปัจจุบันนี้นะท่านบอกว่าถ้าบุคคลใดได้พระสวดาบันในที่นั่งใดให้ทําจิตให้เข้าถึงอรหันต์ในที่นั่งนั้นคือยังไม่รู้อ่ะให้ถึงอรหันต์เลยคือไม่ต้องไปไล่เบียพระสวดาจิตาคาณาคาเ <c oughs> นี่าราชการทำจิตให้เข้าถึงอรหรันต์ท่านยังไงก็เมื่อจิตทรงสัญญาตัสัญญาสามได้แล้วก็จับอวิชชาเลย อวิชชายแยกเป็นสองสับคือชันท่กับราคะคือตัดชันทะาซึ่งมีความพอใจในมนุษย์โลกเทวโลกละระพรมโลกเพรว่าดินแดนของสามดินแดนนี้ไม่พ้นจากความทุกข์จริงใช่ไหมเราไม่เอาราคะที่มีความเห็นว่ามนุษย์โลกเทวโลกละระพรมโลกสวยสด ง, งามเราไม่ต้องการเราต้องการนิพพาน าอารมณ์พันธุภันเกิดขึ้นอารมณ์สังขารเปรข ย, ยันอย่าปรากฏจิตจะมีความสว่างอารมณ์จะมีความเฉยไม่สนใจทั้งราคาตัวสัมหะทั้งหมดกลุ่มความว่าการบำเพ็ญกัมมันดาธรรมพุทธบริษัทธให้ยึดอารมณ์นี้เป็นเป็นสำคัญ น, นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราตัดสินห้าไม่ลดรักษาไม่ได้นนหมดก็อย่าทิ้งอารมณ์พันธุภนัน ไม่เฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่บ้านคุณบูชาพระทุกวันดีไหมบูชาพระทุกวันนะอย่าลืมนะถ้าตั้งใจบูชาพระถ้าถึงเวลาแล้วต้องบูชาไม่บูชานั้นมันจะลำแขวนใจทนไม่ไหวอย่างนั้นถือว่าเป็นฌานในพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติ ออนุสตินี่แปอารมณ์นี่นึกถึงอนุสติก็แปตามนึกถึงนึกถึงพระพุทธเจ้าเวลานี้เราเคยบูชาท่านนึกถึงพระธรรมเวลานี้เราเคยสวดมนต์นึกถึงพระสงฆ์เวลานี้เราเลยนึกถึงท่านนั่นนหละเป็นฌานถ้าเป็นอย่างนั้นก่อนจะตายทุกคนจะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระธรรมเห็นพระอริยสงฆ์ให้พระธรรมเห็นได้ไหม ไม่ได้ก็จังปรายใจสบายใจสบายนั่นคือพระธรรมนะถ้าเห็นพระองค์ใดองค์หนึ่งแล้ว ไ, ไ, ไม่ลงนรกอย่างเร็วก็ไปสวรรค์เอาแหล่งเร็วนะอย่างกลางไปพรมอย่างดีไปไปนิพพาน <c oughs> เอาละท่านี้ก็าพอต่อบมาคืนนี้ <c oughs> คอไม่ดีวันนี้สิมากะมากมาคืนนี้ถึงไหมอ่ะ ถึงตอนนี้ปริชาติกินของที่พระยังไม่ได้ฉันฮะอะไรก็คือสารยังไม่ถึงถึงตอนนี้ก็จําผิดแม่ฉันแก่แล้วนะพต่ยังไม่แก่ยังไม่แก่นะแค่หงมใช่ไหมไอหงมนี่ไม่ได้แก่นะมันเลยแก่ไปหน่อยเรียแก่ไม่ถูกตอนนี้เดินไม่คยไหวแล้ว เป็นนันว่าพระเจ้าพิมิสารเป็นนายในบัญชีในสมิใช่ไหมแล้วมีคุค้นคลังอีกคนหนึ่งเอาพักพวกมาช่วยในการเลี้ยงพระและพวกนั้นที่จ้างเขามาเวลาเขาดีๆก็กินเทาก่อนพระบ้างกินน่นนี่กินนี่หน่อยตามชอบใจเวลาเลิกแล้วคนจะเลี้ยงคนอื่นก็ไม่เลี้ยงมารูดจะกินไลกินนะเก็กไปกินหมด ปรากฏว่าตายจากชาตินั้นไปแล้วพระเจ้าพิมพสัยก็ดีชาดินองสามก็ดีท่านก็ไปสวรรค์หมดคนที่กินขอก่อนพระทั้งหมดไปเป็นเปรตยังไม่ลงนรกเป็นเปรตอยู่นานเท่าไรก็ไม่ทราบพระบอกนานนะอนนี้ตั้งแต่พระเจ้าทานามว่าปุสะ จนกว่าจะมาถึงพระพุทธมุตระได้ไม่รู้กี่แสงกลับฮะเป็นกับนะเป็นแสงกับพอถึงสมัยพระพุทธมุตระบรรดาเปรตพวกนั้นก็มาหาพระพุทธเจ้าทสมณะพระพุทธมุตระกราบเทาวดาทรงทราบว่าข้าพเจ้าอดข้าวอดน้ามานานหิวและเกินขอองค์ทงช่วยด้วย พระพุทธเจ้าสมปนาภาพทงมตราค่ะสงสัยว่าพิาดูก่อนเธอทั้งหลายตาทาคตไม่มีสิทธิ์ช่วยเธอใช่ไหมลนะ่ะให้ขนาดพระพุทธเจ้าเองนะพวเราอย่าลงไปเลยไปรตปปปปปปปปตุนนรกอ่นนกะมันต้องเลือกคนช่วยเธอบอกว่ า, าตาทาก็ยังช่วยเธอไม่ได้แต่หลังจากนี้ไปกับนี้ไม่นับอีกเก้าที่เอกับก็เป็นสุ้าสิบสองนะอีกเก้าที่เอกับกับนี้ไม่นับ จะมีญาติของเจ้าเกิดขึ้นเป็นเป็นพระราชามีนาว่าพระเจ้าพิมพิสารเวลานั้นพระพุทธเจ้าทรงนามว่าพระสมณระโคดมจะอุบัติขึ้นเมื่อพระเจ้าพิมพิสารถวายพระเวรวันและถวายพระตาหายกับบรรดาพระสงค์มีพระเจ้าเป็นประธานอุทิศส่วนกุศลให้แก่เธอเธอทั้งหมดจะมีความสุขจะมีความอิ่มร้อยก้าวทเอกกลับ เราเวลาเดียวจะจหนาหมึดแล้วแล้วหลังจากนั้นมาถึงกับนี้ก็กับสุดท้ายนี่กับนี้นะพระพุทธเจ้าองค์แรกมันามว่าผู้กุศลโทแต่ปรโกฏจาองพระพุทธกระสบมันดาเปรยพวกนั้นก็ไปหาเหมือนกันท่านรักษาโมก็บอกว่าตถาคตก็ช่วยเธอไม่ได้ต้องรอพระสมณะโคดมอุบัติช้นก่อน ถ้าใหญ่องเจ้าจะเกิดเป็นพระราชาในนามพระเจ้าพิมิสานเห็นไหมเนี่ยาตายได้มันนบากแบบนี้นะคนที่ตายไปแล้วอุที่สูงอดสนนั้นไม่แน่ใจว่าเขาจะได้รับหรือไม่ได้รับแต่ปเป็นไปอย่างนี้ต้องเลือกบอกคุคคลต่อมาเมื่อพระสมณะโคดบัตขึ้นแล้วก็พระเจ้าพิมิสานี่เป็นเพื่อนกันเคยเรีนหนังสือเหมือกันเป็นลูกริย์เหมือนกัน เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงที่นั้นก็ถวายพระเวรุวันแล้วก็ถวายพระตาหาแนแกรดาพระสงค์ในพระพุทธเจ้าเป็นประธาน <c oughs> <c oughs> เวลานั้นพระพุทธเจ้าตัดใหม่ๆมีพาาระหันไม่มากนะพันกว่ากว่าพันองค์กว่ากว่าทั้งหมดไม่มีไม่มีบุตรชนเลยมีอรหันท์ทั้งหมดเ <c oughs> มื่อพระเจ้าพิมิสานถวายพระตาหารแล้ว อันดาเปลี่ยนะจ้องอยู่นานเนี่ยม่ให้แกดิกลคืนเอ๊ะยังไงไงก็มายอมให้ทาทีก็คือก็ย่อง ม, มาร้องส่งเสียงร้องให้ปรากฏพระเจ้าพิมพ์สัยก็ปแปลกใจเพราะเสียงอะไรแล้วไม่เคยได้ยินกลัวแล้วไม่กลัวไม่สัตว์ากลัวจะปลอดลอยเมื่อนั้น อ, อย่าลืมนะพระเจ้าพิมพ์สายเป็นมรสดาบันฟังเทศจบเดียวเป็นมรสดาบัน แต่ระโสดาบันนี่ก็ยังกลัวสเศรษฐาคามีก็ยังกลัวอนาคามีก็ยังกลัวที่ไม่กลัวมีท่านเดียวคืออารหาันต์พระพุทธเจ้าตอนเช้าก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็บอกว่าก็เล่าเรื่องเดิมนะที่ย้อนมาพราว่าเปรตพวกนี้คอยเธอมานานเขาเ็องค์มานานแต่เมื่อวันจะไหวพระตาหารแล้วไม่อทิศสูงสนดให้เธอเธอยังเตือนให้ทราบ พระเจ้าพิมิสัยก็ขอทำบุญใหม่นีมนุยพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ที่มาหลานน่าหมดเข้าไปในพระราชนิเวศถวายพระตาหารเสร็จก็อุทิศ ส, ส่วนลในฐานะที่ท่านเป็นพรามมาก่อนพระเจ้าพิมิสัยก็คือกุเวรพรามเมื่อเป็นพรามมีนามว่ากุเวระเ้าเรียกว่ากุเวรพราม ตามธรรมราพราหม์ถ้าจะให้อะไรใครเข้าน้ำราดมือเป็น ก, การมอบให้ทันทีเวลาที่เจ้าทิตสงศ์ยืนหยิบพระเต้าทองมาใช่ไหมมันมีน้ำหยดลงไปแล้วกล่าวว่าจาว่าอีทางโนยาตีนางโหตุจะไม่ดีนะไม่ใช่อีทางโนยาตีนางโหตุไม่ใช่นั้นนะอีทางโนยาตีนางโหตุ นั่แปลว่าขอผลบุญนี้จงสมฤติกระยาดเข้าไปเจ้าเพียงเท่านี้บรรดาเปรตทั้งหลายได้รั บ, บผลกุศลทั้งหมดร่างกายจากความเป็นเรตก็กลา ย, ปายปเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าไปทันทีแต่ก็ยังไม่หมดเถิดแต่ปรากฏ่างคนพวกนี้ไม่เคยถวายพราไตรปิฎกไว้ในพุทธศาสนายังเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าแก่ผ่าโกดีเป็นกันนะโอ้โหนะ ร้องปริชาติร้องฉันรับรองเขาไม่มีใครดูฉันดูแกคนเดียว <c oughs> <c oughs> เด่นนะเธอก็เกิดมีความทุกข์ <c oughs> เห็นที่บรรดาคนอื่นนางฟ้าอื่นเสวยๆใช่ไหมเธ <c oughs> อเพียวลมเลยวันเกิดชุดวันเกิดจะเกิดใหม่จะแท้นะกลางคืนก็แสดงตนให้ปรากฏก็จะมีศาร <c oughs> คือเข้าไปในตึกคือในในที่ประทับ ก็สงสัยว่าถอยหลังเข้าไปเนะนีนจจ่ยแล้ว <c oughs> ลเข้าไปถอยหลังเข้าประตูพร <c oughs> ะเจ้าพิมพ์แสงก็แปลกใจว่าเมื่อวานนี้เปรตร้องแต่วันนี้เห็นเทวดาแต่เทวดาแก้ผ้าเช้าก็ไปถามพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเมื่อวานนี้พระองค์ถวายพระตาหารเธอโมทนาแล้วก็มีร่างกายเป็นทิพย์แต่บรรดาพวกเธอทไหนาขาดการถวายพระตาจีวร ยังไม่มีเครื่องประดับเป็นทิพย์ถ้าพระองค์ถวายพระตรยีวในพุธธทธศาสนาวุทินกับเธอเธอจะมีเครื่องประดับเป็นทิพย์ถวายเนะี่ยร้อยคนพันคนแสนคนน่ยตายเดียวก็พอเืินเดียวก็ใช้ได้นะนี่พระเจ้าเป็นมิศานที่เป็นพระราชาเลยถวายพระทุกองค์ผู้ที่สุ่สนให้จากนั้นไปเปรตันดาเทวดาวนัางก็หายไปไม่มากวนอีก ก็เรื่องนี้ก็เป็นว่าพระเจ้าก็ทรง僧ตัดว่าพิกเเวดูกฎพิสุทธิ์ทั้งหลายที่บรรดาพวกเธอทั้งหลายตัดนามธรรมิตถาคตว่าทําไมไม่ตั้งโพชดินทั้งสามเป็นอักขสาวกใช่ไหมเพราะว่ากฎคุงกรรมเดินเขาต้องการแค่ความเป็นแค่พระสารเท่านั้นเขาไม่ต้องการอักขสาวกใช่ไหมจำได้เปล่า นี่มาเที่ยวนี้เล่าเรื่องนินทานอย่างเดียวนะเขานินทายจะสนใจนะก็ไม่ว่าที่ที่การการอุทิศสุขสนถ้าเราตายไปแล้วเนี่ยคนที่ทําบุญให้เรารที่เราทาบุญให้เขาเนี่ยมันไม่แน่ใจว่าเขาจะมีผลได้รับได้หรือเปล่าถ้าเขาไปเนื่องกับเราเนี่ไม่มีโอกาสแน่แม้แต่พระเจ้าเองยังช่วยไม่ได้กลองคิดดูใช่ไหม <c oughs> นี่เต่าใบขนเนื่องถึงกันท่นเขาบรนดาทุกคนไม่ลงอภาาัยภพเลยดีกว่าเาาพราะอะไรไหมออเราลงกัมาช่ำชองแล้วรู้จักดีแล้วแล้วแกเคยลงไหมแล้วเราเคยพบกันนในนรกนะเคยคุยเคย <c ười> คุยกันเสียงไอ้เสียงคุยเสียงคุยแบบนั้นโอ้ยโอ้ยโอ้ ย, อ ย, อยคุยกันเ๋ อ, อื่นไม่มีมีเสียงเดียว เฉียงโดดๆนะท่านี้การป้องกันอายภูมิก็คือพระไตรสนาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วนึกถึงพระ น, น, น, นึกถึงสิ่งที่เราทำบุญไว้เสมอเอางี้ดีกว่าถ้าใครมีเทศธรรมะเทศธรรมะเป็นบัูติศชาดกแล้วก็ตามเถอะเป็นเสียงธรรม แล้วก่อจะหลับเปิดฟังฟังเขาหลับไปเปิดเบาๆเราแง่ดังนะชาบ้านจะด่าวแล้วบ้าเทพยังไม่ทันจบหลับก็ชากมันนั่นแหะดีมากเพราะอะไรไหมจิตฟังไปฟังไปจิตมันรวมตัวก็ทีน้อยๆพอเป็นชันพอจิตถึงชันปั๊บมันหลับทันทีไม่ต้องรอเทพจบถ้าบางวันเทพมันจบแล้วยังไม่หลับก็ไม่เป็นไรให้มันชิน ถ้าหากว่าเราต้องการมรรคผลก็เอาเทปที่เกี่ยวกับอิพคานไปฟังจะมีเรื่องอะไรมันก็ตามทรงท้ายนิพคผลก็ใช้ได้อย่างนี้อารมณ์มันจเกาะในขณะที่เราฟังอยู่จิตฟังธรรมธรรมะส่วนใดส่วนใดตามที่เราฟังอยู่มันจะเกาะจิตดูตัวอย่างข้างค่าวกับงูเหลือมใช่ไหมข้างค่าวเราฟังธรรมไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่รู้ว่าพระเป็นเพืสวด ชอบใจในเสียงตายจากข้างคาเป็นเทวดาทั้งหมดจูเจติจูีเจเทวดามาเกิดเป็นคนเป็นลูกชาประมงทั้งหมดก็มาเป็นลูกศิษย์ภาษาลิบุตรกาษาลิบุตรพระพุทธเจ้าให้เทศอภิธรรมยอดจบเดี๋ยวไปอรันพระมิสัญญาญทั้งหมดนี่พวกเราดีกว่าคข้างคาวเนการฟังทำถ้าฟังแถวนี้ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรกลับไปบ้านเปิดเทปฟังนะ ถ้าเท่เพลงนี่ไม่แน่นอนนักนะเทบเสียงก็ดีเหมือนกันนะติดไปสมาธินะฟังเสียงเพลงเป็นธรรมก็ได้แต่ว่าต้องใชอารมณ์หนักหน่อยนะต้องคิดว่าเสียงนี้ถ้าเขายังร้องอยู่หรือดนตรียังบรรเลงอยู่เสียงยังปรากฏถ้าเขาเลิกร้องอะไรเขาเลิกบรรเลงอะไรเสียงก็หายไป ชีวิตของดาวเขาเช่นเดียวกันถ้าลมหายใจยังมีอยู่มันก็ทรงอยู่ถ้าหมดลมหายใจมแหลมก็ตายมานั้นเงียบชงเสียงเพลงเป็นธรรมะแต่นไอ้เรื่องนี้ฉันเคยฟังสมัยไปสุ่ ด, ดงตุ่ ด, ดงในป่านะไม่ป่าชัดเนี่ยเวลาตอนเป็นเพลใกล้ใกล้เที่ยงมันจะมีทุกวันบางวันก็มีเสียงมีพัดไม่ใช่แววๆนะ มืนก็วงมีภ้าตังใกล้ๆบางวันก็มีเสียงแแปลบงบางบางเสียงตรองยาวเราฟังแล้วก็ทำให้เป็นธรรมะแบบเนี้ยถ้าเสียงยังปรากฏอยู่ก็เหมือนก็เรามีลมหายใจเข้าอดถ้าเสียงขาดไปก็เหมือนเราตายแล้วขาดลมหายใจต่อไปขณะที่ฟังแต่เสียงเราไม่แพ้ <c oughs> ใช่ไหมจ <c oughs> ีกอธรรมะนี้แกไม่เอาละ <c oughs> มาทั้งตัวเลยทั้งเครื่องชุด <c oughs> มีคนมันเลงเสร็จมีผู้หญิงผู้ชายเสร็จล้องสงกรองพลังร้องร้องทาเพลงเสร็จแล้วก็มองดูไอ้คนพวกนี้มันตายหมดแล้วก่อนที่เขาจะมาแสดงตัวเขาเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเนี่ยเขาตายหมดแล้วเขาเหมือนเราเขาก็ตายเหมือนเขาเราก็ไม่ติดใจในเพลงแต่พอไม่ติดใจในเพลงที่หลังแกเลิกมันเลงจะมันเลงสักสิวาวันไม่สิ่น้อยเนาะเออทุกวันไอ้กรงยานี่น่าสนุก โอ้มันรำกันน่าดูไอพิชาติไปด้วยนะรำลืมเหนื่อยเลยต่อไปเมื่อไม่พอใจในเพลงมันเราเราไม่ติดในเพลงนั้นใช่ไหมแก็กัเลาะเล่นในทองคำพอเดินไปปับ๊บตรงนี้มีทองคำครับมองไปปั๊บเห็นทองคำเลยดินหายไปเห็นทองคำเป็นแท่งเป็นก้อนเยอะอยากได้ไหมไอ น, นี้ก็ได้ครับอ น, นี้ก็ได้ครับผมให้ ก็เลยบอกว่าเมื <t ose> <an> ่อ <t> ฉ <ose> <an> ันอยากได้แกทํางานไม่ให้เวลานี้ฉันไม่ต้องการแกเสียค่าฉัไม่เอาแกลอแบบที่ประมาณเดือนกว่าวันนีนอนนอนวับพอตื่นมาเอานอนไหมือก้อนทองขำเทวดาไม่ใช่ก้อยนะโดยมากเป็นเทวดาชั่นจ่าตุลมหาราชเข้าสอบอารมณ์พระพรุได้ชานกรงความว่าขอพระดาแต่พระธบริษฐทุกท่านอย่าประมาทในชีวิต จงอย่าคิดว่าถ้าเราตายแล้วข้าเจ้าที่ส่งสนไม่ให้อันนี้ไม่ควรดังนั้นคิดว่าเราไม่ต้องการคือตายไปก็ช่างเราจะไปนิพพานเมื่อนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี้ไม่ก่อนตายเออมันหมดเวลาไม่เป็นไรค่อยหน่อยนี่ม่ก่อนตายที่เกิดที่มันเห็นทุกคนเราถามเขาได้จำไม่ดีนะเมื่ก่อนจะตายถามว่าเวลานี้เห็นอะไรถ้านก็บอกเห็นก็เห็นไฟนะ ไปกองไฟเรียกว่าเป็นดวงไฟก็ตามดวงนรกแน่นอนถ้าเห็นป่าเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเห็นก้อนเนื้อเป็นมนุษย์เห็นสิ่งนี้เป็นมุญศลอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้ไปไปสวรรค์นี่นพุทธโลกนี่ถามก็ได้นะนี่เวลาที่คนปวดจะว่าบางคนบางคนมันบอกมันได้คำมันปิดปากถ้าบังเอิญเขาบอกว่าเห็นไฟให้เขาเนึกเพียงพระทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าให้เขาทาระนิสงนั้นนึกถึงพระถามว่าสตังมีไหมเขามีบาทสองใบก็ตามเถอะไว้ตั้งใจชําระหนีิสง์นะเอาของจากวัดจากวัดที่มีพระก็ดีวัดร้างก็ดีวัดที่ไม่สถานที่ของวัดไม่ปรากฏูปุปนภาพกดีอยากที่ใดก็ตามขอําระนีิสงในเงินท่านี้แค่นี้นะพน้นถ้าถามใหม่เถอะตอนนี้เห็นพระไฟหายแล้ว นี่ฉันทดลองมาหลายคนแล้วนะตอนนี้ไปวันดาญาติโยมพุทธศาสนหลายหมดเวลาเสียงก็แห้งเต็มทีมีสียงหาเหมือนมากเขาทั้งตั้งใจสมาทานสมาฐานเม่มาทานศีล